พควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมสามิวันนี้ก็จะได้แสดงรม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 มันมันกลับทําให้เราทุกข์กว่าเดิมมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้ปรญทาเบาบางเหมือนกับที่เราเคยเจอปัญหาสมัยก่อนที่เป็นเรื่องสัตว์ร้ายที่เป็นภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวไฟไหม้เอาวนวิ่งหนีกันไปวิ่งหนีกันสักช่วงสองชั่วโมงก็รอดละแต่ว่าไอ้ความปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวปัญหาการทํางานเหล่านี้เนี่ยมันแก้ไม่ได้ด้วยกัน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 มันทให้ทาให้ความทุกข์ของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นท่านอาจารย์พรหมพรมวังโสท่านเคยเล่านะท่านก็เขียนไว้ในหนังสือชวนม่วนชื่ น, นซึ่งหลายท่านอาจจะเคยได้ยินได้อ่า น, นท่านพูดถึงตอนหนึ่งที่สมัยที่ท่านยังเป็นพระหนุ่มๆพระนวกะอายุไม่มากคือท่านเป็นชาวออสเตรเลียแล้วก็วันหนึ่งท่านก็ได้รับมอบหมายจากหลวงพ่อชานะฮะ สมานั้นก็หลวงพ่อชาท่านก็ยังมีสุขภาพดีอยู่ให้ไปไปขนหินที่มันเหลือจากการก่อสร้างโบสถ์ที่วัดหนองปลาพงนะฮะมันมีกองดินกองหินกองทรายที่ค้างอยู่เป็นกองใหญ่ที่เหลือจากการก่อสร้างให้ขนย้ายออกมาจากที่นั้นไปที่ที่หนึ่งพระทั้งวัดก็ใช้เวลา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 อย่างกรณีที่อาตมายกตัวอย่างนะของคุณป้าเนี่ยซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยสิบสองวันเนี่ยแกก็ยังสามารถจะเดินเทินได้ปกติถ้าพูดถึงสภาพอาการของโรคแต่เพราะใจมันไม่สู้มันปฏิเสธมันไม่ยอมรับความจริงกังวลตีตวนไปก่อนไข้เนี่ยก็ทำให้ร่างกายเนี่ยุดไปกว่าเดิมนะมีบางคน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 แกก็บอกมีลูกสีะหสี่คนลูกคนสี่คนนี้ไปไหนบ้างแกก็ไลฟังคนที่หนึ่งไปไหนคนที่สองทำงานอะไรพวกที่ส่วนใหญ่จบแล้วนะะหมายถึงว่าเหรียญจบแล้วแล้วก็ทํางานอคนที่คนโต ก, ก็มีหลานหลานเป็นยังไงหลานมีกี่คนหลวงพ่อท่านก็ชวนคุยไปนะฮะสักพักมือก็ตกมือก็ตกแกก็ยังไม่รู้ตัวนะหลวงพ่อชวนคุยเสร็จแล้วก็หลวงพ่อก็ชี้อ่ามือตกแล้วเนี่ย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 ไม่ว่าจะเดินด้วยรถนะถ้าเดินทางไกลเนี่ยเราจะสังเกตเลยพออยากจะให้ถึงเนี่ยมันถึงช้าเหลือเกินนะขาไปเนี่ยจะรู้สึกว่ามันใช้เวลานานนะแต่พอขากลับไปยสังเกตไหมเนี่มันถึงเร็วนะเพราะใจไม่ไม่ไปไ ป, ไปพวงเป้าหมายเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันถึงเร็วแต่ขาไปเนี่ยเราอยากจะไปถึงเป้าหมายเนี่ยใจเราก็จ่ออยู่กับเป้าหมายอยากอยถึงไวๆอยายถึงไวๆ เราก็รู้สึกว่าถึงช้าและบางทีมันไม่ใช่ความรู้สึกแต่มันเป็นความจริงเลยโดยเพราะถ้าเป็นการเดินด้วยเท้านะคนที่เดินด้วยเท้าเดินไกลๆเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้าไม่ว่าจะเดินขึ้นเขาหรือว่าเดินเดินทางไกลเนี่ยถ้าใจอยากเมื่อไหร่เนี่ยมันจะถึงช้าเพราะว่าใจที่อยากให้ถึงไวๆนั้นก็จะจำจำจำ และถ้าเดินทางไกลเนี่ยเดินแบบนี้สักวันหนึ่งเนี่ยนะวันที่สองนี่ก็อาจจะเดี้ยงแล้วนะขาปวดขามึ่ยแล้วถ้าเป็นเดินเขาเนี่ยไม่ต้องร้อยถึงร้อยถึงหนึ่งวันนะแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็เห็นผลแล้วคนที่อยากใจถึงไวๆเนี่ยนะไปเดินขึ้นเขาไปเดินขึ้นเขาไปเนี่ยนะเดินไม่ได้สักถ้าขับเป็นเขาชันนะเดินไม่ได้สักครึ่งชั่วโมงไง เดินไปสักสิบนาทีเนี่ยมันต้องพักแล้วต้องพักบางทีพักกว่าพักพักนานกว่าเวลาที่ใช้เดินสิอ่นะชาวเขาเนี่เขาก็จะมีหลักนะเขาก็อาตมา ก, ก็ได้บทเรียนนี้จากชาวเขาว่าเวลาเดินเนี่ยนะให้เดินช้าๆแล้วก็พักนี่ไม่ต้องนั่งพักหรอกนะบางทีแค่ยืนพักก็พอแล้วพอลองเดินเนี่ย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 ถ้าเราทำด้วยความอยากแล้วเนี่ยนะฮะบางทีมันให้ผลตรงกันข้ามมีคนนึ่งเขพูดไปน่าสนใจว่าสาเหตุของความทุกข์ของคนในปัจจุบันก็คืออยากจะมีความสุขยิ่งอยากจะมีความสุขกับยิ่งไกลจากความสุขและคนี้ปัจจุบันเนี่ยติดในเรื่องนี้มากเพราะคิดว่า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 เป็นคนไม่ได้เรื่องเป็นคนล้มเหลวนะก็จะทำให้ต้องยิ่งแสวงหาความสุขเขาไปใหญ่และก็ยิ่งแสวงหาก็ยิ่งไกลจากความสุขไปทุกทีสิ่งที่ในกรณีเช่นนี้นะก็เช่นเดียวกันนะก็คือว่าเราให้รู้เท่าทันความอยากของเราและก็เรียนรู้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 กับอนาคตและไม่ยอมรับปัจจุบันขณะไม่ยอมรับสิ่งที่ปรากฏแก่เราในปัจจุบันถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยนะไม่ว่าจะเจ็บจะป่วยนะแม้ว่าจะงานการจะไม่ประสบความสำเร็จประสบมีอุปสรรคต่างๆเราก็ยังมีความปกติสุขอยู่ได้ นะแต่ใจที่มันตั้งท่าปฏิเสธผักไสนะตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยมันคืออุปสรรคตัวตัวใหญนะ่ในการที่จะทำให้เราเนี่ยได้เห็นหรือว่าเข้าถึงความสุขโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปไขว่คว้าดิ้นหล่น หรือแสวงหาให้มากกว่าที่เป็นอยู่ตรงนี้เนี่ยถามว่าการที่จะทำให้เราเนี่ยยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ได้อย่างไรเนี่ยอาตมาคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้คือการฝึกจิตการทำการเจริญจิต ภ, ภาวนาโดยเพราะถ้าเราเรียนรู้ที่จะ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 สิ่งที่เราสิ่งที่สําคัญก็มีอย่างเดียวคือการรู้รู้อาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายและใจแน่นอนเวลาเราทําสมาธิภาวนาเนี่ยมันก็จะมีทั้งกุศลและอกุศ ล, ล, ศ ล, ลจิตเกิดขึ้นมันจะมีทั้งสุขโภเทนาและทุกขโภเทนาเกิดขึ้นสําหรับผู้ฝึกใหม่ ทันทีที่เกิดสุขเวทนาขึ้นใจมันก็เข้าไปโอบเข้าไปกอดเข้าไปยึดเอาไว้ทันทีที่เกิดทุกขเวทนาขึ้นมันก็ผลักไสไม่ยอมรับอาจจะบน่นพึมพัมภไยในใจนะเวลาเกิดความคิดดีนะก็คลอเคลียกับความคิดนั้นเกิดความคิดที่ไม่ดีก็ผลักไส และการปฏิบัติเนี่ยนะที่เราไม่สามารถที่จะเจริญก้าหน้าในการปฏิบัติได้เพราะมันมีท่าทีสองอย่างเนี่ยคือผลักใสกับไฟหาหรือปฏิเสธกับยึดติดและสองอย่างเนี่ยมันดูเหมือนตรงข้ามนะแต่เป็นเรื่องเดียวกันปฏิเสธกับยึดติดเนี่ย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 นอนก็คิดกินก็คิดบาง ท, นทีนอนไม่หลับนะกินก็ไม่อร่อยเพราะเอาแต่คิดถึงคนที่เราไม่ชอบเขาด่าเราเขาว่าเราใจมันผลักใจมันปฏิเสธใจมันไม่ยอมรับแต่แล้วเป็นยังไงใจมันก็เอาคําเขาเนี่ยมาคิดอยู่นั่นแหละนะทั้งเรื่องที่คิดแล้วก็ทุกเนี่ยนะแต่ก็ยังไม่วายที่จะเก็บเอามาคิดแล้ว ใครที่เจ็บปวดนะเราก็เจ็บปวดเองนะเราแช่งชักว่าคอยแกลงลก็กแต่ตอนที่ที่เราแช่งชักเนะี่ยเราก็ลงล็กไปซะแล้วใชนะ่แต่เราก็ยังทั้งที่เราลงลก็กเราก็ยังไม่รู้ก็ยังแช่งชักหักกระดูกนะอยู่นั่นแหละอาการที่เราพยายามผลักไสเนี่ยนะแต่โดยตัวมันเองเนี่ยมันเป็นการยึดติดแบบหนึ่ง มือนกํามือของเราเนี่ยมันไปถูกกลิ่นอะไรที่ไม่กลิ่นอะไรที่เหม็นเหม็น่นะนะอาจจะไปถูกอกลิ่นขี้หมาก็ได้นะเหม็นนะแล้วก็ล้างนะฮะล้างเสร็จเราทํานะเราก็ต้องมาดมดมเสร็จแล้วก็ล้างใหม่เม่อวานก็ต้องเก็บมาดมอีกนะนะถามว่าดมแล้วมีความสุขก็ไม่มีความสุข เราไม่ชอบคนตําหนินะแต่พอเรารู้ว่ามีคนพอมีคนบอกว่านี่มีคนตําหนิเธอมีคนดินทาเธอนะเราทำไงเราบอกไหนเล่าฟังด้เล่าให้ฟังใช่ไ <c oughs> แล้วเล่าทำไมใช่ไหมเล่าล้วคุณมีความสุขหรือเปล่าแต่ทําไมอยากจะเล่านี่เนี่ยคือลึกๆมันมันมันยึดติดอะ่ะนะเราสิ่งที่เราเกลียดเนี่ยเราอยากจะเข้าไปคลอเคลียอยากจะเข้าไปถูไถกับมันนะนะ น, น่ะนะเพราะอาจารย์ต่องบอกว่าไอ้การปฏิเสธเนี่ยกับการยึดติดเนี่ยมัน ัันอนอเดียวกสิ่งที่เราปฏิเสธเนี่ยมันจะแฝงพปด้การยึดติดความเศร้าความเสียใจความสูญเสียการถูกตําหนิจริงเหล่านี้เนี่ยเราไม่ชอบเราไม่ยอมรับแต่ใจมันก็จะหวนิดคิดคำนึงอยู่เสมอแล่วมนก็เป็นการทิ้งแทงตัวเองแล้วเราเจ็บนะแต่แเราโทษใครฮะเราก็โทษคนเหล่านั้นเราโทษสิ่งภายนอกเราโทษคน เราโทษจราจรเราโทษดินฟ้าอากาศเราโทษการเมืองเราโทษใครต่อใครมากมายแต่สิ่งที่เราลืมไปคือเราลืมมองตัวเราเองว่าเป็นพ่อใจของเรานะที่มันดูเหมือนผักใสแต่ยึดติดไปโดยไม่รู้ตัวนะแต่ว่าไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมันเหมือนกับมันเหมือนกับว่า ไอสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยทุกโกรธนาก็ดีหรืออกุศลก็ดีอกุศลธรรมนะเช่นอารมณ์ความโกรธความเกลียดเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าทันทีที่เราจะผลักมันผลักมันด้วยใจเนี่ยมันก็มันก็มี ก, มกาวที่ทําให้ใจเราต้องยึดติดติดนึกไปกับสิ่งนั้นสังเกตไหมครัเราต้องการผลักใส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 ยิ่งกดมันยิ่งโผล่ยิ่งผลักนะมันก็ยิ่งโผล่นะมันเหมือนกับวัยรุ่นนะลูกวัยรุ่นนะยิ่งห้ามก็ยิ่งอยู่ใช่ไหมมันเป็นมันเป็นอาการเดียวกันเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่จริงตั้งสอนมาตั้งแต่พระตจ้าแล้วก็คือให้เพียงแต่รู้เฉยๆนะให้เพียงแต่รู้เฉยๆคือเห็นมันเฉยๆนะ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 มันเหมือนกับมาร น, นะที่ฉลาดในการล่อให้เราไปติดกับอาตมาเปลยดเทียมเหมือนกับการจับการดักสั์ดักสักเนี่ยมันดักด้วยสองวิธีอย่างแรกคือว่าเอาเหยื่อที่อร่อยไปล่อเช่นหนอนไส้เดือน ปลาเี่มันชอบนอนมันชอบใส่เดือนเนี้ยมันเห็นใส่เดือนมันก็เข้าเป็นงับเข้าไปฮุบแต่ตอนที่ที่มันเข้าไปฮุกมันก็เจอเจอแหละเจอเบ็ดเกี่ยวแทงเข้าไปทนะลุนี่คือวิธีดักจับสัตว์นะไม่ใช่กับปลาอย่างเดียวสัตว์อื่นด้วยก็เหมือนกันนะเอาของชอบนะมาล่อเพื่อให้มันเข้าไปฮุบ เมื่อคลุปเนี่ยมันก็ติดเบ็ดอีวิธีนี้เนี่ยเอาของที่ไม่ชอบนี่คือชีวิตที่ที่เขาจับหรือเขาต่อต่อนกต่อไก่นะต่อนกต่อไก่เขาทำยังไงก็ก็เอาไก่เอานกจากแปลกถิ่นเนี่ยเข้ามาเข้ามาล่อให้เจ้าถิ่นเนี่ยมันเข้าไปเจ้าถิ่นมันได้ยินเสียงเนี่ยมันก็เข้าไปไล่พอมันก็ไปไล่ไก่พอาันไปไล่นกเนี่ยมันก็เผลอเข้าไปในกับดัก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 เข้าไปยึดเข้าไปอยากหมายครอบครองก็ไม่ต่างจากปลาที่เห็นเหยื่อมันก็ฮุบเสร็จแล้วก็เจอเบ็ดอันนี้เราเรียกว่าเป็นโทษของกามอาทินวะอัศาธาคืออร่อยนะเหยื่อนี่มันอร่อยสําหรับปลาในเหยื่อเนี่ยอร่อยแต่อาทินวะหรือโทษมันก็คือว่ามันปวดมันทุกข์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 แต่ทันทีที่เราไปสำคัญมั่นหมายว่ามันเป็นของเราเราก็กลายเป็นของมัน ท, ทันทีคือขาดมันไม่ได้นะรถเป็นลอยขีดขวนโอ้ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเพชรหยองเพชรนี่เกิดหายไปนี่หรือว่ามันเกิดติดอยู่ในบ้านที่กำลังลุกเป็นไฟเนี่ยโอย้ไม่ไม่วิ่งเข้าไปหาเลยนะปกป้องนะ ปกป้องเพชรนะตัวตายไม่เป็นไรแต่ขอให้เพชรอยู่ก็แล้วกันเราเป็นมันเป็นของเราเราเป็นของมันฮะคนมาป้นเอาเงินมาเอาทองมานะอุ้ยยอมตายนะเพื่อรักษามันเอาไว้เราเป็นของมันไปแล้วนะฮะไม่ใช่มันเป็นของเราอ น, นีอ้นี่คือนี่คือท่อของกามแต่ขนะดเดียวกันนะมันก็มันก็มีสิ่ง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 คิดไม่ดีขึ้นมาคิดดีขึ้นก็รู้เฉยๆและการรู้เฉยๆเนี่ยนะมันทําให้ใจสงบได้เพราะถ้าเราปฏิเสธไปผักสายเนี่ยมันก็จะบ่นตีโพยตีพายทําไมต้องเป็นชั้นนะหรือว่าหงุดหงิดลคาคัญใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไปยึดไปอยากมันก็ทุกข์อีกอย่างนึงเพราะว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่พอใจ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 หรือว่าเป็นสัญญาณเตือนภัยให้เตระหนักว่าจะต้องเจอหนักกว่านี้ในอนาคตวันนี้เงินหายนะแต่พรุ่งนี้นะบ้านรถยนต์ก็อาจจะไปการสูญเสียสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไหมว่าสิ่งของหรือผู้คนเนี่ยมันก็คือสัญญาณเตือนภัยให้เราตืนหนักว่าเออต้องเจอหนักกว่านี้ในอนาคต แล้วมันก็สอนเรา ว, ว่าความพัดพลาดเป็นธรรมดาเป็นส่วนของชีวิตมันต้องมีการพัดพลาจากกันถ้าไม่ก่อนตายก็ตายก่อนแค่นั้นแหละฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดแบบนี้ก็เนี่ยเออมันไอสิ่งที่เราสิ่งที่ไม่น่าพอใจความทุกข์ความสูญเสียความพลาดพลาดเนี่ยเราจะทําใจยอมรับมันได้ง่ายขึ้นแล้วเราจะไม่ใช่ยอมรับ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 โดยเพราะในระดับจิตใจของเราได้ชัดขึ้นที่แรกมันสงบ ก, ก่อนเพราะจิตเป็นปกติอะไรเกิดขึ้นนะก็ไม่ผักสายไม่ปฏิเสธหรือว่าไม่ไปยึดอยากยอมรับมันตามที่เป็นจริงจิตสงบอยู่ได้แต่ต่อมาเมื่อเห็นความเป็นจริงอยู่เรื่อยๆเห็เเในกายและใจเห็นความนึกคิดว่ามันแปลปวนแปลผันนะ ไอ้ความคิดดีๆที่เราคิดว่ายอดเยี่ยมวิเศษแต่พอผ่านไปแค่หนึ่งวันนะกลายเป็นไม่เขาท่าไปแล้วที่อุตสาหเลาะเบาะแว่งคนเพราะเขาไม่เห็นด้วยกับเราเพราะเราคิดว่านี่คือความคิดของเราไม่เห็นด้วยกับความคิดของชั้นก็คือไม่เห็นดะ้วยกับชั้นนะไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นมันเป็นชั้นมันเป็นของชั้นแต่พอผ่านไปแค่วันเดียวเราก็ รู้สึกว่าเป็นความคิดที่ไม่เขาท่าเสีแล้วนะรู้สึกอายเลยซ้ำที่คิดแบบนี้นะสะมันทิ้งไปอย่างไม่ใหญ่ดีเหมือนกับเด็กที่อุตส่าห์ก่อกองก่อก่อปราสาททรายนะเวลาเด็กก่อปราสาททรายที่ชายหานีญโอ้ใครมาแตะก็ไม่ได้นะนะหวงแหงเก็นที่เลยนะแต่พอตกเย็นแม่เรียกกลับบ้านเอาไปดูหนังไปเที่ยวกันเด็กนี่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 ในเวลาพูดถึงความตายนะบอกใจเนี่ยปล่อยวางได้เรื่องทรัพย์สมบัติที่ปล่อยวางได้เรื่องลูก เ, เรื่องหลานเนี่ยปล่อยได้นะหลายคนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยปล่อยวางได้เลยนะถ้าหากว่าจะต้องตายเนี่ยทรัพย์สมบัติลูกหลานแต่สิ่งึ่งที่กลัวก็คือทุกขเวทนาที่จะเกิดขึ้นไอ้ตรงนี้เนี่ยนะถ้าากว่าเราเรียนรู้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 เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะเราก็มีความมั่นใจมากขึ้นว่านะแม้ว่าเวลาสุดท้ายใกล้จะมาถึงหรือเมื่อในายามที่เจ็บป่วยเนี่ยเราก็สามารถที่จะอยู่กับมันได้เราหมายถึงว่านักปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ให้ได้ไม่เพียงแต่ปล่อยวางสิ่งที่น่าพอใจนะเท่านั้นนะ การพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจมันก็ที่เราสวดนะทำวัดเช้าเนี่ยปียหิวิปโยโคทุกโขนะอภปยยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์นอกปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่เนี่ยพลัดพรากจากสิ่งเป็นท <cessors> mm ี่รักที่พอใจเนี่ยทำใจได้ ลูกทรัพย์สินนะคนรักแต่ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักคือทุกขเวทนาเนี่ยคิดหนักนะความเจ็บความป่วยถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยจะทำยังไงแต่สมาคิดว่าถ้าเราสามารถฝึกใจให้ถนัดในการรู้เฉยๆไม่ผักใสไม่ไฝ่หาไม่ปฏิเสธแล้วก็ไม่ยึดติดนะเราจะสามารถ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 มาเป็นมาตรฐานมาเป็นเกม์สิ่งทั้งหลาทั้งปวงเนี่ยมันไม่ได้ดีไม่ได้ชูดในตัวมันเองแต่มันดีมันชั่วมัืดใจแล้วก็ไปเกี่ยวข้องเหมือนกับตอนที่หลวงพ่อเทียนท่านเริ่มบรรลุธรรมใหม่ๆเนี่ยหลวงพ่อเทียนก็ไปหลว ง, งลวพ่อของหลวงพ่อคำเทียนอีกทีก็มีคนมาถามว่า<ม>เกลือนี่มันเค็มไหมท่านก็บอกเกลือมันอยู่โนู่นมันจะเค็มได้ยังไง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 เอากี่เลยเป็นตัวตั้งหรือเป็นอัตราที่ปไตยนะถ้าพอเรามีปัญญาจนเห็นตรงนี้เนี่ยมันไม่มีคำว่าประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักมันไม่มีคำว่าพัดผ่าจากสิ่งเป็นที่รักแล้วมันอยู่เหนือสิ่งนั้นไปนแล้วเพราะฉะนั้นก็อัตถมาถึงว่าปิดประตูทุกได้เลยนะเพราะฉะนั้นอรรถมาคิดว่าเรื่องการที่เรามีสติรู้นะ อยู่เฉยๆโดยที่ไม่ไปผลักไสและไม่ไปยึดติดนะหรือว่าการที่เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่ไม่น่าพอใจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้อัตมาคิดว่ามันเป็นมันเป็นพื้นฐานสำคัญเลยมันเป็นมันมันทำให้เราไปอยู่บนทางแพร่ง นะที่สามารถที่อะมันธารมาทาให้เราเนี่ยเลยจากทางแพร่งเนี่ยก้าวไปสู่ทางที่อ่เป็นเป็นทางดับทุกข์ได้นะแต่ก็อย่างที่อรตมาบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยไอ้ไอ้ไอความสุขหรือว่าการพ้นทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องไยใยไขวคว้าไปให้ถึงแต่มันมีอยู่แล้ว